เมื่ อ, เ, อเรียนรู้รู้จักวิเคราะห์แยกแยะภาษาเหล่านี้ได้ทั้งหมดก็มาพิจารณาภาษ า, าเหล่านั้นอ่ะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเหนะหมนะว่าภาษาแต่ละอย่างเหล่านั้นเนี่ยไม่เที่ยงนะถามว่าภาษาเหล่านั้นอ่ะไม่เที่ยงอย่างไรนี่นะซึ่งอัตฉริยะมหานิเทศหน้านี่นะหน้าสามร้อยหกสิบเก้านะนะกล่าวว่า เอวังยาตังกตวาได้แก่ทําให้ปรากฏอย่างนี้คือย่อมพิจารณาย่อมเห็นคือย่อมคิดโดยอาการที่เป็นไปในเบื้องต้นพิจารณาโดยความเป็นอนิจจงเพราะมีความเป็นไปในที่สุดคืออนิจจงและเพราะมีเบื้องต้นและมีที่สุด น, นะเช่นการเห็นเนี่ยนะก็มีเบื้องต้นและก็มีที่สุด น, นะก่อนจะเห็น แล้วก็ในที่สุดก็เลิกเห็นเนี่ยนะก็คือมีเบื้องต้นกับมีที่สุดได้ยินเนี่ยนะมีเบื้องต้นกับมีที่สุดรู้กลิ่นก็มีเบื้องต้นมีที่สุดเนี่ยนะรู้รสก็มีเบื้องต้นกับมีที่สุดรับกระทบทางกายก็มีเบื้องต้นแล้วก็มีที่สุดแต่ละเรื่องที่เราคิดก็มีเบื้องต้นแล้วก็มีที่สุดอย่างนี้เราเรียกว่าอนิจจงจากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปถ้าว่าโดยรวมๆมาเนีชาติเนี้ย เกิดมาก็รับกระทบภาษาเริ่มตั้งแต่เกิดใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นเมื่อตายก็ภาษาของโลกนี้ก็ดับไปในโลกนี้ถ้าแยกเป็นทวานอ่ะก่อนที่จะเห็นคืออะไรก็อาจจะมาจากทวานอื่นก่อนใช่ไหมแล้วจึงมาเห็นเมื่อเห็นแล้วหยุดอยู่แค่เห็นใช่ไหมไม่ใช่ก็ไหลไปทวานอื่นอีกท่้นการเห็นก็มีเบื้องต้นแลวก็มีที่สุดการได้ยินก็มีเบื้องต้นและมีที่สุด การรู้กลิ่นก็มีเบื้องต้นและที่สุดรู้รสก็มีเบื้องต้นและที่สุดนะใครทานอาหารในทั้งวันทั้งคืนตั้ก็มีเบื้องต้นมีที่สุดเนี่ยนะแต่ถ้าแยกแยะไปแล้วเนี่ยแม้กระทั่งรู้รสเปรี้ยวก็อย่างหนึ่งผัสสะก็รสเค็มก็อย่างหนึ่งผัสสะก็รสขมก็อย่างหนึ่งรสหวานเป็นต้นก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างไปแม้กระทั่งผัสสะทางกายเนี่ยนะปวดหัวก็มีเบื้องต้นและก็มีที่สุดสบายตัวสบายกายก็มีเบื้องต้นมีที่สุด พันอ้อั น, นิจจังก็แปลว่ามีเบื้องต้นและมีที่สุดจากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปเนี่ยนะไอาการที่ดำรงอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าดำรงอยู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะพิจารณานะทั้งที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงบางคนก็เลยเออกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยง ถ้าคิดไม่ดีนะถ้ายาตะปริญญาไม่ดีก็อะไรก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นใช่ไหมกุศลก็ไม่เที่ยงอาถามไมาจําเป็นไม่ต้องให้ทานจําเป็นหรือเปล่าอ้าวว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมถ้ายาตะปริญญาไม่ดีจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้ว่นะการวิเคราะห์ว่ากุศลมีโทษหรือไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยอันนี้ต้องแม่นยํามากนะไม่ใช่อยู่ๆขึ้นมากุศลก็ไม่เที่ยงอากุศลก็ไม่เที่ยง ใช่อากุศลก็ไม่เที่ยงถ้าไฟไหม้บ้านมันก็ไม่เที่ยงเที่ยงไหมไฟไหม้บ้านไม่เที่ยงหรอกเนี่ยนะนะแต่ว่าหมดไฟเมื่ออหมดจานวนว่าหมดเชื้อเพลิงเมื่อไหร่มันก็เลิกมันก็เลิกไหม้นะอากุศลก็เหมือนกันเนี่ยนะเวลามันเกิดมันไม่เที่ยงหรอกแต่ว่าหมดเนื้อหมดตัวนี่นะทันถ้าการวิเคราะห์ในเรื่องตีละปริญญาโดยพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะนะเรื่องกุศลอากุศลเนี่ยต้องแม่นยํามาก ว่ากุศลมีผลต่อไปอย่างไรอกุศลมีผลต่อไปอย่างไรแล้วก็วิบากเหล่านี้ยเกิดจากอะไรจะต้องแยกแยะอันนี้ให้ชัดเจนดีก่อนจึงรู้ว่าไม่เที่ยงเพราะว่ารู้ไม่เที่ยงที่ทขาดยาตาปริญญาเนี่ยนะพวกนี้โดยมากเลยทงเพราะยาตาปริญญาเนี่ยสำคัญมากการเห็นเนี่ยก็ไม่เที่ยงแต่ก่อนที่จะบอกว่ามันไม่เที่ยงมันต้องรู้ก่อนนะทาไมจึงเห็น การเห็นประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาอย่างไรมีผลเป็นปัจจัยอะไรต่อไปอย่างไรก็ต้องรู้เมื่อรู้อย่างนี้ก็ใ ค, คล่ครวญนวะ่าสิ่งนี้จากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไป เ, นะเรียกว่าพิจารณาว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ น, นะเพราะอะไรเพราะมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปไอสิ่งที่เกิดขึ้นและเสื่อมไปเนี่ยมันดำรงอยู่ด้วยความบีบคั้น แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อย่างเช่นชีวิตที่เกิดมาเนี่ยถามว่ามีเกิดเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีความตายเป็นที่สุดใช่ไหมใช่แล้วชีวิตที่ดำรงอยู่นี่ดำรงอยู่ด้วยความสุขเลยใช่ไหมไม่ใช่นะสุขตลอดมาเลยฮะไม่ใช่เลยนะเพราะไอ้ชีวิตที่ที่มีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นที่สุดอ่ะก็ดำรงอยู่ด้วยความบีบคั้น เป็นที่ตั้งแห่งทุกขทุกคือทุกกายทุกใจเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกขเป็นที่ตั้งแห่งวิปริณามทุกคือไม่เที่ยงเนี่ยนะเพราะนั้นไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขถามง่ายง่ายว่ามีอะไรมั่งที่ไม่ทุกอะสิ่งที่เรามีเนี่ยมีตาเนี่ยไม่ทุกกะตาเลยหรือมีหูไม่ทุกกับหูเลยหรือมีจมูกไม่ทุกกะจมูกมีลิ้นไม่ทุกกัะลิ้นอ่ะนะ มีหัวเนี่ยทุกข์กับหัวไหมไม่เคยปวดหัวหรือไงเนี่ยนะมีร่างกายเนี่เคยเจ็บป่วยไหมเนี่ยนะอันพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกทุกทางกายแล้วก็ทุกทางใจเนี่ยนะในขณะเดียวกันมีไอ้พวกเนี้ยไปทําเหตุแห่งทุกข์อีกเอามีต้มมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีร่างกายเนี่ยก็เอามาทําบาปใช่ไหมเอามาทําบาปเพื่อทุกต่อไปอ่ะนะไอ้ตัวมันเองเกิดมาก็าทุกแล้วก็ยังสร้างเหตุแห่งทุกต่อไปอีก แล้วก็พิจารณาโดยความเป็นโรคคำว่าเป็นโรคเพราะจะต้องเป็นไปด้วยปัจจัยมันอยู่ด้วยปัจจัยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นภาษาทางตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยดมรงอยู่ด้วยปัจจัยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะมันเป็นมูลแห่งสารพัดโรคเป็นมูลแห่งโรคจริงๆนะเป็นที่ตั้งแห่งโรคจริงๆพราน มีโรคที่เกิดขึ้นในทวารหกเนี่ยสารพัดโรคเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นโรคก็คือเป็นมูลแห่งโรคเป็นรากแห่งโรคเป็นรังแห่งโรคเนี่ยนะเป็นที่เกิดโรคนะนั้นคำว่าโรคเนี่ยถ้าหากว่าเราเน้นไปที่ทุกขกายยะวิญญาณนะนะลืมตาดูก็ทุกกายเอาสิใช้ตามากปวดตาไหมเมื่อยตาไหอย่างเงี้ยนะ ได้ยินเสียงดังๆเนี่ยเครียดไหมไอ้ที่เจ็บนี่ไม่ใช่โศตวิญญาณนะแต่เป็นกายวิญญาณนอะ่ะปวดหูเนี่ยนะหายใจเข้าเนี่ยหายใจรับบางอย่างแล้วมันจะเยื่อเกนะนะมันเหมือนกับว่าไปดมกลิ่นบางอย่างเลยอันนั้นมันเจ็บกายนะทานอาหารเนี่ยร้อนเกินไปเย็นเกินไปมันก็เจ็บถึงกายด้วยนะทวารกายล่ะส่วนไหนบ้างที่มันไม่ปวดไรนะมีผมก็ใครไม่เคยขันศีรษะบ้างอะนะนั่นแหละก็ถือว่าทุกข์แล้ว มีหัวปวดหวูมีตา ก, ก็าปวดตามีจมูกห า, ายใจไม่ค่อยออกมันก็ปวดอยนะ่างนั้นมีฟันนั่นแหละก็ปวดฟันะใครที่ไม่เคยปวดฟันเนะี่ยมีบุญมากเนี่นะแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเนหะ็นไะมเขาบอกว่าปวดฟันนี่นอนไม่หลับเลยนะบางคนเนะี่ยแล้วก็ปวดด้านอื่นๆอีกนะก็มีที่ปวดอีกสารพัดที่ในร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดหมดเลยทั้นพระองค์จึงตรัสว่า กายอันนี้เป็นรังของโรคเป็นมูลแห่งโรคแล้วก็ภาษาเนี่ยนะเป็นดังหัวฝีเป็นดังหัวฝีนี่ก็คือเพราะว่าประกอบด้วยโรคเสียดแทงนะเป็นฝีเนี่ยเพราะมันเสียดแทงแล้วก็เป็นทุกโดยความเป็นทุกเนี่ยนะเพราะเป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งไม่สะอาดคือกิเลสก็ ของไม่สะอาดทั้งหลายเนี่ยก็ไลออกมาจากสิ่งเราเนี่ยนะและเพราะขึ้นพองแก่รอบแล้วก็แตกดับไปเห็นไหมก็ภาษาทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นพองแล้วก็แตกดับไปนะภาษะนี้ในสูตรถ้าเป็นในปุพพสูตรนะนะภาษะซึ่งอยู่ในสังขารขันพระองค์เนี่ยเปรียบเทียบอุปมาเหมือนกับต้นกล้วยเห็นไหมภาษะถ้ามองในภาษาหานพระองค์ เปรียบเทียบเหมือนกับแม่โคหนังปอกนี่นะแม่โคที่ถูกลอกหนังนี่นะเพราะฉะนั้นไอ้ภาษาอันเนี้ยเป็นที่พองแก่รอบด้วยความเกิดขึ้นและความเสื่อมโทรมความแตกดับไปอันจึงเรียกว่าเป็นเหมือนกับฝีนี่นะภาษาเนี้ยโดยความเป็นลูกศรลูกศรก็คือให้เกิดความบีบคั้นนี่นะลูกศรก็คือถูกยิงนี่นะ เพราะเจาะแทงภายในและเพราะมีภาวะที่นําออกได้ยากสมมุติถ้าจะเลิกภาษาเนี่ยทาได้ไหมเลิกเลิกเห็นเลิกได้ยินเลิกรู้กลิ่นเลิกรู้รสเลิกรับกระทบทางกายเลิกปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เลิกนิ้วเลิกกระหายเนี่ยเลิกภาษาทําได้ไหมเอาเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นลูกศรมันเสียดแทงนําออกได้ยากเหลือเกินไอสิ่งเหล่านี้ภาษาพวกนี้เป็นของลําบากเพราะเป็นภาวะที่หน้าติเตียน ชเช่นปวดหัวตัวร้อนนี่ก็รับกระทบภาษาทั้งนั้นแหละหน่ารังเกียจน่าติเตียนจริงๆเนยนะเช่นเห็นร่างกายใครเป็นแผลเนี่ยนะก็น่ารังเกียจน่าติเตียนเนี่ยนะแล้วก็นําไม่นํามาซึ่งความเจริญและเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความชั่วก็เพราะมีกายนั่นแหละจึงต้องทํามาหากินเลี้ยงกายใช่ไหมเพราะมีตานี่ยแหละต้องหาทีวีมาให้มันดูมีหูนั่นแหละต้องหาเพลงเพราะๆมาให้มันฟังเนี่ยนะ มีจมูกมีลิ้นนี่แหละจึงหาอาหารอร่อยๆมาให้มันกินเนี่ยหากลิ่นหอมๆ ม, มาให้ได้ใช้บริโภคอันเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้อะมันเป็นที่ตั้งแห่งความลำบากเเป็นที่ตั้งแห่งความชั่วร้ายสารพัดอย่างอยู่ในนี้แหละในร่างกายเนี่ยนะร่างกายยาวานาเคลือบกว้างศอกเนี่ยไม่ดีเอาเลยนะแล้วก็ยังเป็นอาพาธอีกไม่ให้เกิดเสรีภาพ คิดดูนคนอาพาธเนี่ยไม่เสรีภาพใช่ไหมอาพาธทางเท้าก็ไม่เสรีภาพเดินไปไหนยากนะนะอาพาธทางฟันอย่างเงี้ยนะก็ทานอาหารก็ไม่อร่อยนะนะอาพาธทางมือจะยกจะคู่ก็ไม่ดีอาพาธทางตาก็เห็นไม่ได้อาพาธทางหูก็ได้ยินไม่ได้อาพาธทางลิ้นก็กินไม่ได้นะนะอาพาธทางร่างกายอ่ะเป็นโรคกระเพาะก็กินอะไรก็ลําบากเนะอาพาธทางเข่าเดินก็ยาก มันมันเรียกว่าเป็นอาพาธไม่ให้เกิดเสรีภาพเลยนะคนอาพาธคือคนที่ไม่มีเสรีภาพแล้วก็เพราะเป็นปพัทธฐานแห่งความอาพาธอนะภาษนนะภาเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้แห่งความอาพาธเขาบอกว่าภาษานี่เป็นเหมือนกับอาหารสแสลงเนี่ยนะอาหารแสลงไอเวทนาขันนี่เหมือนกับตัวโรคนะนั้นภาษาในทวารหกเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ เราถ้าเรามาตั้งคําถามว่าการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสรู้กระทบโพธาภะอันไหนมั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ในภายหลังมีไหมเนี่ยนะเรียกว่าไม่เออมันสบายเยอะเกินตั้งการรับกระทบสิ่งนั้นนะเว้นภาษาในนิพพานซะอันนะรับกระทบภาษาที่เป็นโลกุตระเท่านั้นแหละจึงจะเป็นที่ตั้งแห่งความสุขตลอดไปแต่ถ้าภาษะกับสังขารขันภาษะกับอา ร, รมณ์ธรรมนานะ สิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเป็นที่ตั้งแห่งอ า, าพาธหมดเลยนะตอนแรกก็ ด, ดีตอนหลังอ้าวไม่ใช่แล้วนสิ่งที่เราว่าดีในตอนแรกตอนหลังมันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องนะที่เรารับเออเรื่องนี้ดีนะสิ่งนั้นดีนะตอนหลังมันไม่ใช่แล้วมันนำมาซึ่งความอ า, าพาธจนได้ดีนะที่ได้เห็นตอนแรกว่าดีนะที่ได้เกิดดีไหม ดีนะที่มีกายแล้วตอนแล้วดีไหมล่ะตอนหลังอองชักไม่ไว้แล้วนะดีนะที่เรามีปากมีฟันเราจะได้เคี้ยวได้กินใช่ไหมดีไหมล่ะทีนี้มันเคี้ยวรัว่วอะมันเคี้ยววันละสามมืออย่างงี้ย น, นะยุ่งกันแล้วก็พิจารณานะปรารโตใช่ไหมเป็นอย่างอื่นคือไม่มีอํานาจและเพราะเป็นความชื่อเออเพราะความเป็นชื่อเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะก็ดู่นะของของคนอื่นนยะอะไรก็ตามที่เรียกว่าเราเรียกว่าเป็นของคนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไง เราไปมีอำนาจอะไรบ้างเออกถ้ากับเป็นของคนอื่นนะบ้านคนอื่นรถคนอื่นครอบครัวคนอื่นการเป็นอยู่ของผู้อื่นเราไม่ได้มีสิทธิ์ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะหัวตาหูจมูกเลนกายใจผรรษะในทวารทั้งหกเหล่านี้ก็เป็นอย่างอื่นเหมือนกันไม่มีอำนาจอะไรจริงๆเลยที่จะไปจัดการะนะก็บอกอ้าวจากเห็นไปได้ยินสิก็ลองลองปวดดูเถอะบอกว่าอย่าปวดนะนิ่งอย่าปวดนะไม่ใช่ เอางนั้นก็คิดแต่เรื่องนี้ก็แล้วกันนะไม่ใช่ไม่ยอมเพราะเราไม่มีอํานาจจริงๆเลยนะถึงว่าถึงว่าจะหาเหตุหาปัจจัยเบนประเด็นได้บางครั้งแต่ก็ชั่วคราวนะก็ไม่ได้มีอํานาจอย่างแท้จริงอะไรแล้วก็ชมรุษสุดโสมเนี่ยนะภาษาพวกนี้ก็เป็นของชมรุษชมรุดด้วยอะไรด้วยพญาทิชราและมรณะเนี่ยนะเรียกว่าของชมรุษ ตัวมันเองก็เป็นของที่ป่วยอยู่แล้วใช่ไหมถ้าไม่ป่วยมันก็โทมเป็นร้องธรรมดานะมันสุดโทมเป็นในที่สุดสิ่งนั้นก็แตกทำลายเรียกว่าเป็นของชำรุด